สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคําข้อที่ 2.6 ครับซึ่งในเช้าวันนี้ผมจะขออนุ ญ, ญาตได้แบ่งปันตั้งแต่กฎข้อที่ 2.6 2.7 2.8 และ 2.9 งจุดเกนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวตนที่อยู่ข้างในครับเพราะว่ากฎข้อที่2นั้นก็คือเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นที่สำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกศา ส, สนาจารย์ฟิลิปเทงท่านได้รวบรวมไว้จากภาคจสัมคัมพีครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในหัวข้อ 2.6 ก็คือการนับศารจากภายในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ 23-24 โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่วาเลนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นัสการอย่างถูกต้อง จะนับสาการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับมีการอธิบายพระคมภีร์ข้อนี้อีกแบบหนึ่งคําว่าจิตวิญญาณและความจริงภาษาจีนนั้นใช้คําว่าสัตซื่อความจริงภาษาจีนใช้คําว่าสัตซื่อครับจิตวิญญาณและสัตซื่อ ความชัดซื่อที่แท้จริงเป็นการนับศการพระเจ้าหมายถึงว่าในการนับศัการพระเจ้านั้นเราจะต้องใช้จิตวิญญาณและความชัดซื่อความชัดซื่อนั้นก็อาจจะแปลว่าความจริงใจความชัดจริงในการนับศัการพระเจ้าเพียงักับนั่นเป็นความจริงอีกมุมมองหนึ่งดรฟลิปเทงนั้นท่านได้กล่าวว่าหากว่าความหมายเดิมคําว่าจากพระวิญ ญ, ญาณนั้นคือจิตวิญญาณและความชัดซื่อก็อมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือเสริมให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นครับการเสริมให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นหมายความว่าเวลาที่เรานมัสการพระเจ้านะครับจิตอิญญาณก็คือต้องใช้การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการนมัสการพระเจ้าและความสัตซ์ซื่อสัตจริงซึ่งหมายถึงเป็นคําสรรเสริญที่ล้อออกมาจากใจจริงๆด้วยความสัต์จริง ถวายองพระบูญเป็นเจ้าซึ่งตรงกับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5้าข้อสิได้กล่าวว่าจงร้องเพลงสรรเสริญและเสด็จดีจากใจของท่านถวายองค์พระบุญเจ้าโค mm hmm. โลสีบทที่3ามข้อสิได้กล่าวว่าจงร้องเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าคือมีความหมายครับผมขออนุญาตขยายความนิดนึงก็คือว่าเวลาร้องเพลงเราร้องด้วยปากนะครับแต่ จิตใจที่โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการนมัสการนั้นเป็นการนมัสการจากภายในออกมาสู่ภายนอกครับเพลงเหล่านี้ต้องร้องออกมาจากใจเมื่อพระวิ ญ, ญญาณเต็มล้นในใจปากและใจของเราจะต้องร้องสรรเสริญนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแนบสนิทเมื่อพระเยซูทรงมีความเปรมปรีในพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่ 10: ข้อดังนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าโปร่งสรรเสริญพระองค์ปังกัมพีบอกว่าพระเยซูมีความเปรมปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูก็สรรเสริญพระเจ้าครับข้าแต่พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าโปร่งสรนเสริญพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับได้เขียนว่าเป็นเพลงที่มาจากสวรรค์คําว่าเป็นเพลงที่มาจากสวรรค์นั้นมีพี่น้องสตรีท่านหนึ่งร้อง ร้องเพลงตอนสุดท้ายของเพลงบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเหมือนร้องเพลงนี้ครั้งแรกแท้จริงแล้วเธอร้องไปหลายรอบแล้วครับเราจึงเห็นว่าจริงๆแล้วเพลงที่ร้องออกมาจากใจล้วนเป็นเพลงใหม่ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในพระธรรมสิตดีนะครับบอกให้ร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าความจริงแล้วครับเนื้อหาความจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระเยซูนั้นก็ล้วนแล้วแต่ ได้รับการเปิดเผยสำแดงแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราร้องเพลงบทใหม่นั่นหมายความว่าเราร้องออกมาจากความรู้สึกใหม่ๆเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการเปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนั่นแหละครับคือการนมัสการจากภายในหัวข้อที่ 2.7 ครับสิ่งที่สําคัญที่อยู่ภายในคือกําลังและความเข้มแข็ง กำลังและความเข้มแข็งขงภายในเพาเจนะของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่6โปรดฟังพอเจนะของพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตวิญญาณแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูรห่งพระสิริของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ ตามความไพ่บูรณ์แห่งพระสิริของพระองค์คําว่าโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจคําว่าฝ่ายจิตใจภาษาเดิมแปลว่าคนที่อยู่ข้างในนะครับคนที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์นั้นชี้ชัดครับว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นมีจริงและคนที่อยู่ข้างในนั้นสามารถที่จะได้มีกําลังเรี่ยแรงได้ และเมื่อใดก็ตามครับกำลังเลี้ยวแรงจากภายในนะครับภายนอกจะพ่อยมีกำลังไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญแต่คนที่อยู่ข้างในนะครับคือตัวตนจริงๆของเราพี่น้องครับเรารู้ว่าเมื่อเปาโลและสีลาดรับนิมิตตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้ามทะเลจากเอเชียไปประกาศข่าวะเสริฐที่ยุโรปด่านแรกก็คือเมืองฟิลิปปีครับเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะต้องมาติดคุกที่นี่ มือที่ถูกล่ามโซ่เท้าที่ถูกใส่คือใส่แปลไว้แน่นหนาถูกโบยตีด้วยแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนเปาโลสิลาดอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้นั่นคือตัวอย่างครับของความเข้มแข็งหรือกำลังที่ออกมาจากข้างในข้างในเข้มแข็ ง, ข, งข้างนอกก็อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าได้หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงต้องวยวายถอนหายใจบน่นต่อว่าพระเจ้าแล้วบ่นว่าอะไรครั บ, บนว่า พระเจ้าเรามาตามพระประสงค์ของพระองค์ทําไมต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยแต่พี่น้องครับสาวกทั้งสองคนนี้คือเปาโลและศีลาดรู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีครับรู้ว่าพระองค์ไม่ทําผิดพระองค์ไม่เคยทําผิดและพระองค์จะไม่ทําผิดดังนั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าผลที่ตามมาก็คือในทันใดนั้นเกิดการอาศัศจรรย์มีแผ่นดินไหวใหญ่ มีกําลังเข้มแข็งจากภายในทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้พี่น้องแผ่นดินไหวที่ถูกบันทึกไว้ในเพิ่มพีมักจะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการประกาศที่สําคัญมากๆเช่นตอนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนแผ่นดินไหวครับตอนที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นเหความตายแผ่นดินไหวครับตอนที่สาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ก็มีแผ่นดินไหวครับ กิจการพทธิสีข้อ31บอบอกว่าเมื่อข่าวประเสริฐถูก ป, ประกาศไปยังทวียุโรป ก, ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันพี่น้องครับแผ่นดินไหวรากของคุกสะเทินสะท้านลูกกลงประตูเปิดหมดทุกบานครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะสามารถทำให้หัวใจของผู้ที่ฟังพระกิตคุณ วันไหวได้ก็คือเขาจะไว้ตัวเพื่อที่จะรับความรอดครับกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับกําลังและความเข้มแข็งจากภายในของเรานั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งอัศจรรย์ได้สิ่งอัศจรรย์ที่สาคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อพระเจ้าครับหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่สองจุดแปอิสราเอลภายใน เรหมดที่2ข้อยี่ปดครับโปรดฟังพรงจนะของพระเจ้าเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั้นคนที่บินยิวแท้ก็คือคนที่เป็นยิวภายในการเข้าสุนัขแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญ ญ, ญาณไม่ใช่ตามตัวบทบัญญัติตามอย่างนั้นพระเจ้าสัรเสริญมนุษย์ไม่สันเสริญพี่น้องครับอิสราเอลแท้ก็คือประชากรของพระเจ้าที่แท้จริง เครื่องหมายสำแดงถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านั้นอยู่ข้างในเขาพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อดูเถิดอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนัทแทนเอลนะครับนัทแนเอลเป็นอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนั่นหมายความว่าภายในภายในตัวเขานะครับ อิสราเอลแท้นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าสนใจภายในของเขาผู้ที่สนใจภายนอกก็ให้เกิดความทะเยอทถยานผู้ที่สนใจแต่ภายนอกชีวิตของเขาก็จะคดโกงจะเฟกจะหลอกลวงจะปิ้นปล้อนไม่มีหลักจะมดเท็จจะโกหกจะสร้างภาพผลสุดท้ายก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับ ชีวิตแบบนี้จะเหมือนกับที่เขียนไว้ในพระธรรมสรุดีบทที่90ข้อ10บอกว่าไม่ช้าก็ศูนไปชีวิตแบบนี้ไม่ช้าก็ศูนไปเพราะฉะนั้นการเป็นอิสราเอลแท้ข้างไหนครับไม่มีใครรู้นอกจากพระเจ้ารู้และตัวเรารู้เพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดอยากจะให้ตัวเรารู้ก็คืออย่าหลอกตัวเองครับ การที่เราจะไม่หลอกตัวเองนั่นหมายความว่าเราต้องมีชีวิตที่สอดคล้องชีวิตข้างในนั้นจะต้องสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละครับคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่หลอกตัวเองเป็นอิสราเอลภายในมีพระวิญญาณอยู่ข้างในเรามีการบังเกิดใหม่จริงๆอยู่ข้างในเราครับสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือหัวข้อ 2.9 สันติสุขและความชื่นชมยินดีภายในสันติสุขและความชื่นชมยินดีภายใน พี่น้องครับพระธรรมยอห์บทที่ 16: บหข้อยีโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เราจะมาหาท่านอีกในใจท่านจะชื่นชมยินดีไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้โปรดฟังอีกครั้งแต่เราจะมาหาท่านอีกในใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้พี่น้องครับคําตัดของพระเยซูที่ว่าเราจะมาหาท่านอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงอยู่กับเราสาวกนั่นหมายความว่าเมื่อพระองค์เป็นที่อยู่ความตายแล้วพระองคปรากฏแก่เ่าสาวกแล้วพระองค์จะต้องเฉด็จขึ้นสู่สวรรค์ครับและถ้าพระองค์ไม่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณจะไม่สามารถเสล็จยลงมาได้นั่นคือสิ่งที่เปโตรสอนไว้และพระวิญญาณของ พระเยซูนั่นหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสามารถอยู่กับผู้เชื่อทุกคนทุกยุคทุกสมัยทุกหนทุกแห่งนี่คือปรากฏการณ์ที่ดีกว่าเมื่อพระเยซูอยู่ครับเพราะพระเยซูนั้นปร่งทรงอยู่กับสาวกอยู่ในเขตแดนปาเลสไตน์แต่พระวิญญาณ น, นั้นอยู่ได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งครับนั่นคือความไม่จํากัดความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เนื่องจากพระองค์เป็นตรีการุภาพหรือตรีเอกภาพการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกันกับการสถิตของพระเยซูเพราะว่าทั้งสองพระภาคนั้นก็คือพระเจ้าและรวมทั้งพระบิดาเป็น3พระภาค ก, ก็ถือว่าเป็นตรีการุภาพครับเพราะฉะนั้นเป็นความจริงที่ซ้อนกันสองชั้นนะครับพระเยซูจะอยู่กับเรา และพะวิ ญ, ญญาณจะอยู่กับเราเช่นเดียวกันครับจิตใจของสาวกจึงจะมีสันติสุขได้และสันติสุขนี้ครับจะไม่มีใครมาช่วงชิงได้เป็นสันติสุขที่อยู่กับเราตลอดไปเป็นอีเทอร์ s e ลเซคิริตี้ครับเป็นสันติสุขที่เกิดจากความรักของพระเจ้าเกิดจากความรอดที่เกิดขึ้นกับตัวเราและรับความรักนี้ด้วยความศรัทธาและด้วยความเชื่อด้วยเห็นนี้เองครับ ชีวิตของเราจึงมีคุณค่ามากและมีสันที่สุขที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้อาเมน